ในนามอัลลอฮ์ที่ทรงเมตตากรุณาขอให้ทุกท่านได้รับความสุขและความสงบสุอให้ทุกท่านได้รับความสุขและความสงบสุขขอใาัความุขและความสงบสุขขอใ้ทุกท่านได้รับความสุขแคบขอให้ทุกท่าน้รบะางใ่นไ้ามสามส้ทุกท่านไ้รับมุลบขอใ่นไดรับคามะค ช่วงสุดท้ายของระมณฑลแล้วอันทำดูเร็วนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่รายการตัฟซิทอังกรานยามเช้านะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในสุรลุกมันนะครับอินชอลอนะครับเราก็จะดาเนินการอธิบายอังอรนนะครับในสุรุลุกมานนี้นะครับให้จบนะครับภายใน10วันสุดท้ายของรมณฑนี้อินชอลอนะครับเมื่อวานนะครับผมนะครับพารุณโอปและก็บบออบดลออเก็บนะครับก็ได้นำเสนอนะครับอายะที่1ถึงอายะที่7ของสุรุลุกมันไปแล้วอันทมดเร็วนะ คาดหวังว่าพี่น้องที่ติดตามรายการเมื่อวานนี้นะครับคงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระความรู้วิชาการนมถึงแง่คิดต่างๆที่สามารถนำมาแอพพลายใช้ได้ในชีวิตของเรานะครับอินชอนร้อนนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาเราก็ยังคงต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะถึงนะครับเรื่องราวของท่านลุกมานัทากิมแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเนื้อหานะครับมีความหลากหลายพอสมควรนะครับเดี๋ยวนะครับช่วงต้นนะครับเราก็จะอ่านนะครับ อ่านแลวก็อ่านอาย่างกรานแปลเป็นความหมายเสร็จแล้วก็จากนั้นบโบอก็จะตับสิเชิงลึกนะครับในชาลระอนนะครับขอเชิญบาบบอกครับ <c oughs> แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้รับส่วนสวรรค์หลากหลายอย่างสุขสำราญข้อดีนฟีฮาว่าดัลลอายะก พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดการสัญญาของอัลเลาะนั้นเป็นจริงและพระองค์คือผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชายาณวะฮูวัลอะีซุลฮากีมต่อไป ค, ครับคอละกสมาวาตบิไฆริอามดินตรานะฮา و أ َ ل ْ ق َ ا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أ, أ َ ت َ م ِ م ي م د َ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ و َ أ َ ز ْ ن َ ا م ِ ن َ ا ل س ََّ م ا ء ِ م َ ا ء ً ا ว่าัลนามนในสมมาอิมาอ่ำฟ้าอ่ำบัตนาฟีฮ์มิ่คุลิจายิงกรีบพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายโดยปราศจากเสาที่พวกเขาจะมองเห็นมันได้และทรงปักเทือกเขาไว้อย่างมั่นมั่นคงในแผ่นดิน เพื่อมีได้เพื่อมีให้มันสันคลอนไปกับพวกเจ้าและทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่หลายในมันไม่ถึงแผ่นดินและเราได้ทำให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเราได้ให้พืชทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่คู่อย่างดีงาม The q ลล a n ฟ้ารูนีมาแล้ว خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงเสวะดังนั้นพวกเจ้าจงแสดงให้ข้าอัลลอฮ์เห็นสิว่าอันใดเล่าที่เขาเหล่านั้นได้สร้างมันขึ้นมาอื่นจากพระองค์ และบรรดาผู้อธรรมต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งว่าเราควรจะเตินาลุกมานะลิิตเมตานิชกรุลลลาห์ว่ม่ยิชกรฟะอินน์มะยิชกรลินับซี ว่ามันคัฟาร์ฟ้อินนัลลอฮฺฺกนิยุนฮามีดและโดยแน่นอนเราได้ให้ให้คำแก่ลุกมานว่าจงขอบคุณจงขอบพระคุณต่ออัลลอฮและผู้ใดขอบคุณแท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวเขาเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอัลลอฮนั้นทรงเพียงพอ และทรงได้รับการสรรเสริญครับก็อันทำดีแล้วนะครับในช่วงต้นนะครับบาบอก็ได้อ่านนะครับให้พี่น้องได้ฟังอายะที่8ถึงอายะที่12แล้วนะครับซึ่งในนั้นนะครับก็จะมีห้กลุมตันชีวิตต่างๆด้วยนะครั บ, รบอยากจะให้ช่วงที่บาบอได้รับสิทธิอังกฤษนะครับถ้าอายะไหนหรือคำใดที่เป็นกฎตันชีวิตที่ บางครั้งเราอาจจะมองข้ามหรืออ่านผิดบ่อยครั้งนะครับบบก็สามารถแนะนำกฎตชีวิตได้ด้วยนะครับในชาร้อนะครับเพาะฉบบเข้าสู่การตั้งเส้อันกราเลยครับเชิญครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอลลอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัอลอลฮ และ صحاب ีเขาและ ه <س ؤ ال> ู้ที่ ع ิ ه ตาม س ا <ؤ> าด้วยคว ا ل เ <س> อ <ؤ> ื้อ ل <ال> ฟื้อ ا ل ้ ه ันจนถึงวันของพระเจ้าท่านส ل รุลลอฮฺสั่งพระองค์ว่าจงทำให้ผู้ที่ติด ل ามท่านได้ของพระเจอ่า พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้สตาต่อลอสซูบานัวตาลาที่กาลังติดตามรายการของเราอยู่ขณะ น, นี้นะประการแรกเลยขอกล่าวชุกโกตอลอสซบานัวตาลาขอขอบคุณออลอสซูบานวตาลาเป็นนะอย่างสูงนะที่เอกอลอสซูบานัวต า, า, าลาไดนะ้อนุมัติเวลามีค่าของ ผมเองอาจารย์ฮารูนและก็พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กําลังรับฟังรับชมอยู่ขณะ น, นี้ครับพี่น้องครับสําหรับตับเสดยามเช้ า, ชาของเราในช่วง10บเกินสุดท้ายของปีเก้าร้อยสี่ในวันนี้เราก็มาต่อเนื่องในซุระลุกมานในอายะที่8ปครับซุระลุกมานซึ่งเมื่อวานหรือว่าช่วงวงที่ผ่านมาก็เราได้ ตนะับเซตในระดับ1นนะึให้เนื้อหาในระดับหนึ่งกับพ่อแม่พี่น้องท่านฟังไปแล้วในเนื้อหาสาระของพระมหากรรยาอนกุนรานจากอายะที่1ถึงอายะที่7ครับเมื่อวานโดยสรุปสั้นๆก็คือนะอัลลอฮฺสุบฮานาลาพระองค์ทรงแบ่งนะมนุษยนะ์ออกเป็น2จําพวกนะจําพวกที่1ก็คือจําพวกที่ นะอีมานศรัทธาต่ออัลกุรอานอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุภาหนุวตาละวัินนะ์เป็นที่อัลลอฮ์สุมาตาละาใช้คำพูดของพระองค์ว่าเป็นวัสินีและอีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามคือพวกตรงกัน<ะ>ข้ามกับวัซินีพวกนี้กลุ่มนี้ก็คือพวกที่นะชอบอยู่กับพวกลาวัลหัดิสที่หลงไหล ลงระเรองอยู่กับนะ เ, รกร เ, เรื่องของการเล่นเรื่องของการเล่นเรื่องเล่นดุญญนยะาครับที่เรากระใช้คำว่าละาวัลหะดีสนะครับสำหรับอายะที่แและที่9วันนี้ก็อยากจะนาเสนอพี่น้องท่านผู้ฟังนะว่านะส่วนอายะที่8เนี่ยอายะที่8ที่9เนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ทรงพูดถึงมัซซีนนะีว่านะพวกกลุ่ม พี่น้องมุสซินีนก็คือกลุ่มที่ทำละหมาดทำละหมาดอย่างดีออกอากาศอย่างดีและก็พวกเขาอยากเกินต่ออลอสุบาตาลาและยากเกินถึงเรื่องวันอาคิรอดเนี่ยฉะนั้นในอายะที่8ดที่แก้วนี้อลัลลอฮ์บอกว่ า, าผลลัพธ์ของกลุ่มเหล่านั้นในวันอันวันอาคิรเนี่ยผลลัพธ์ของคนดีในวันอาคิรอดนี่จะได้รับอะไรพี่น้องอลองติดตามมาดูในอายะที่8ดเนาะ อราล่าสุภาษณในวตารแล้วพระองค์ทรงกล่าวในอายะที่8ดว่าอินนัลเรดีนาอามานูแทจิงบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วแทจริงบรรดาผู้ที่มีอีมานแทจริงบรรดาคนที่มีอีมานเนี่ยวามิลุซอลิฮาตและบรรดาผู้ที่ทำความดีนะละหุมจ ah um ันนาทุนไหนพวกเขาเอาล่ะตอบทั น, ทนควันเลยว่า แล้วุมยัวไหนพ่อเขาจะได้รับสวงสวรรค์ที่บรมสุขสวงสวรรค์ที่มีความบรมสุขอย่างสุดๆครับตรงนี้นะสิ่งที่น่าสังเกตรตรงนี้ก็คือว่าทุกๆครั้งที่เราพูดเรื่องของผู้ที่มีอีมานเนี่ยเราจะพูดว่าผู้ที่มีอีมานและผู้ที่ทําอามานสอยแล้วข้าพเจ้าตรงนี้นะ จ, ะจะไม่พูดว่าอินจะไม่พูดว่ามนุษย์เฉย แตจะซ้อนท้ายด้วยคําว่าวาอามิลุซอริฮัดตรงนีน้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่ า, าและเป็นสิ่งที่สอนให้พวกเราได้รับทราบรับรู้ว่ า, าอีมานนั้นอีมานที่สมบูรณ์นั้นจะต้องรประกอบด้วยการอามันดิซอร์แลเพราะคําว่าอิมานเนี่ยเพราะคำว่าอิมา น, นาาามาในทัศนะของอัลิสุนนาวันยามะเนี่ยเธอคือการหนึ่งการกล่าวโวยลิ้น นะการที่เรากล่าวโดยลิ้นเช่นว่าเรากล่าวว่าละอิละฮิลล์ลอเรากล่าวกล่าว้วยลิ้นของเราประการที่1่ประการที b, na, wa, l, uh, ่2องยอมรับด้วยหัวใจหัวใจยอมรับยอมรับอัลลอ์ยอมรับนบีอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อนบีและเขาเรียกว่าตัสิ่งน่าฟิลอิมานฟิลกลน่อัลยะิรอัลัยะกาบิลกลบิตัสิ่งบิลลิซน อัตศึกบลิซานวัติการฟิลกลลลิงกล่าวออกมาแล้วก็หวัวใจก็ยอมรับอิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะอัลแล้วก็ประการที่สมก็คือสอดคล้องกับคาว่าวอามิลสอริฮัตคืออัลอมับินยวะเรห์อวัยวะต่างต่ามือเท้าและส่วนต่างๆของร่างกายที่วล้อสร้างมาเนี่ยอัญาวะเรหต่างๆอวัยะต่างๆของเราเนี่ย จะต้องปฏิบัติด้วยต้องประกอบด้วยการปฏิบัติฉะนั้นถ้าสมมุติว่าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดจากสประการเนี่ยอิมานจะไม่สมบูรณ์ครับตรงนี้อยากจะย้ําพี่มว่าพ่อเมพีน้องท่านผูฟ้ฟฝงว่านะอีมานที่แท้จริงอีมานที่สมบูรณ์ในทัศนะของอัลยุสุนนวันยามะคือนะกล่าวโดยลิ้นยอมรับด้วยหัวใจและก็ปฏิบัติด้วย ร่างกายด้วยอายะห์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอามานนั้นๆด้วยเหตุนี้ในอันคุรานในอัลลอฮ์สุบานูอัตตาลาไม่ว่าอายะห์ไหนก็จะกล่าวอย่างนี้อินนัลละดีน่อามานุวะมิลุซลิฮัดอินนัลละดีน่อามานุวะมิลุซลิฮัดถ้าไม่มีอามิลุอามิลุิฮัดในบางทีคนเราอาจจะอิมานพูดว่าอิมานกล่าวว่าอิมานแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นว่าเรา เชื่อว่ า, า, วาอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาร์ละบังคับฟื้ดูให้พวกเราละหมาด5เวลาหรือซีแยมในเดือนอมดาดอนแต่ในทางปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติแสดงว่ามีแต่อามานูแต่ไม่มีอามิลุซอลิฮัดมีแต่อีมานแต่ไม่มีอามัลฉะนั้นอีมานต้องคู่กับอามัลที่จริงแล้วตรงนี้จะมีอีกตัวหนึ่งสิ่งแรกที่จะมาให้เกิดอิมานของคนเราเนี่ยก่อนที่จะเกิดอีมานต้องมี อ, ลอลัลเลลต้องมีความรู้ก่อน อเล่นว่าละมัลอเล่นอเลนู้วละแล้วก็จะเกิดอีมา ن หรืออเล่นกับอเล้ามัลว่า إ อาจจะเกิดมาพร้อมๆกันก็ได้นะแต่ว่าพื้นฐานของอีมานกับอามันซอแรกนี่มันต้องมีพื้นฐานจากความรู้ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงเน้นในเรื่องของการเรียนรู้มาเป็นมาเป็นเรื่องแรกอเลโควลกับเละมัลอเลนู้กับเละมัล ถ้าพี่น้องท่านใดที่เคยไปเรียนในหาดทราสอยให้บุคคลีเนี่ยในซอยให้บุคคลีเนี่ยหนังสือซอยให้บุคคลีของอิมทองท่านอิมมัมบุคคลีนี่จะมีบาบเรกเลยหมวดแรกบาบเรกเนี่ยชื่อบาบว่าอะเลนมุกอบละละมันความรู้ต้องมาก่อนการปฏิบัติคือทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อต้องการจะให้อิมานที่สมบูรณ์การอิมานที่สมบูรณ์ไม่ใช่ต้องเกิดจากความรู้ที่สมบูรณ์ ความรู้ที่สมบูรณ์คือความรู้จากว า, ายูจะอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาละความรู้ที่มาจากซุนนะของท่านนาบีหรือว่าความรู้ที่มาจากนะสบาบะของท่านนาบีหรือผู้รู้ที่ถูกยอมรับอัลลอฮอัลมุอัจจรินนะครับที่ตรงนี้ถ้าเรามาสังเกตกลึกแล้ว ก, ก็อินนลัลละดีนะอมามนุวะมิลุดสลิยขาดฉะนั้นก็อยากจะฝากนะพวกเราว่าอ่านะอิมาที่สมบูรณ์นั้นจะต้องนะประกอบด้วยการปฏิบัติจริงที่แท้จริงเ ก็มีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาประกอบอีกเช่นว่าเงื่อนไขของความอกคลาสอีมาแล้วอามานแล้ ว, ม, ลวมีความรู้ดีแล้วแต่ถ้าขาดความอกคลาสก็อามานนั้นหรือว่าผลลัพธ์ก็จะออกมาใน ก, ก็อาจจะออกมาในทางลบก็ได้ผมแล้วก็เอาออกมาในทางลบก็ได้ครับนี่คืออินนอร์แดีน่ามอนูวามิลสอริฮัทครับต่อไปเรามาดูละฮุมจันนาทุนไน ละหุมเยนนาทุนไหนประโยคสุดท้ายของอาย่านี้เนี่ยคือเป็นประโยคที่เอาล็อตอบในเชิงให้รางวัลทันทีเลยตอบในเชิงให้รางวัลทันทีเลยอินนัลละดีน่ะมนุละหุมนะพวกเขาจะได้รับเย็นนาทุนไหนเจ็นนาทุนไหนในประโยคภาษาอับเนี่ยทั้งประโยคภาษาแบบนี้ถ้าสมมุติว่า นะคำที่น่าจะอยู่หลังแต่มาอยู่ก่อนเนี่ยเช่นว่าละหุมเนี่ยน่าจะอยู่หลังที่จริงน่าจะอ่านว่ายันนาตุนไนละหุม่มนะถ้าประโยคอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในอันกุรานเนี่ยจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นสำคัญถ้าเรามาเจาะลึกในทิศในเชิงวิชาการนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะสรุปให้พวกเราได้เห็นว่านะสิ่งที่ ชาวศรัทธาสิ่งที่ชาวอามริกาโซลิฮารจะได้รับก็คือสวรรค์ที่บรมสุขสวรรค์ที่มีความสุขที่เราไม่สามารถไม่อาจที่จะรู้รายละเอียดได้แต่เราก็รู้ที่เอาล้อบอกในกระาษแลกเกี่ยวคุณลักษณะคุณสมบัติของสวรรค์ก็เอาล้บอกในกระาษแล้วแต่ในความเป็นจริงลึกๆเนี่ยความสุขจริงๆเนี่ยนะ เราอ า, อาจจะเรายังไม่ได้สัมผัสแต่ว่าคำนะว่านยอิมนีคือได้รับสิ่งนเนมัดต่างๆที่หลากหลายอาทิเช่นว่าในตับเสดอิมนูกศรีที่เรากำลังกลังถืออยู่เนี่ยนะอิมนูกศรีอธิบายว่าคำว่าลาหุมจันนาตุนหนงนีไ่ไออยนามูนะฟี่ฮ ะ, ะชาวสวรจะได้รับความบรมสุข นะบิอันวาอาวินมาลาสอวนมาซาร์ด้วยความอริตอร่อยที่ที่หลากหลายนะเมนูหลากหลายนะเมนูหลากหลายเลยทีเดียวเม น, นมาอาคินไม่ว่าในเรื่องของอาหารการกินอวนมาแชาริปนะในเรื่องของการดื่มอวนมาลา บ, บิสเครื่องนุ่งหม่มอวนมะซ า, ากินทีู่่าศัยห้องซูปเปอร์ VIP, วีพีนมะราเก็บเครืนะ่องผ้านะผ้านะต่า ง, าางๆเนี่ย จะไปนู่นนั่นนี่มีการไปนู่นนั่นนี่ในสวรรค์นี่ภาพไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ในห้องที่บรมสุขอย่างเดียวไม่ใช่อาจารย์มัมนจะต้องมีการเดินทา ง, ทางไปทิวขัว้วโลกเหนือขั้วลูกใต้ประมาณนั้นแหละ mm hmm. ความแต่ว่าล้โลกอะเคียร์เนี่ยคือมันพ้นจินตนาการจริงๆเนี่ยวันนิซาและคู่ครอง mm hmm. ออซึ่ง ท, ที่อิมเมกสซิดใส่คําวันนิซามาด้วยเนื่องจากว่านะชาวาอารมณ์ของ ของมนุษย์เนี่ยจะมีชาติว่าที่มีโฮอร์โมนที่อยากอยากอยากอากสัมผัสกับเพศตรงัข้ามนะมิ น, มนาวนนทดรวรรษศีมาและการมองการฟังการมองต่างๆเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าผิดปกติคาว่าผิดปกติหมายถึงเหนือปกติเหนือปกติแต่ว่าในในอายะห์อื่นๆเนี่ยอัลลสุบาฮ์ตัลาบอกว่า นะสิ่งที่ได้รับในสวรรค์เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะได้รับในสวรรค์สิ่งที่ชาวา พ, พี่น้องมุกมินจะได้รับในสวรรค์เนี่ยนะชื่อของสิ่งเหล่านี้ชื่อเหมือนกับกบัตรกำ บ, บนดุนยาเช่นว่าลูกทุเรียนในสวรรค์กเ็เป็นลูกทุเรียนลูกเงาะลูกลางศาสจะะัมปดาชื่อเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะชาวสวรรค์จะเอ่ยขึ้นมาว่านะนี่ผลไม้ต่างๆอาหารต่างๆที่ยกมานี่ ก็เหมือนกับผลไม้บนดุนยาปะนะกุลละมารุจิกุมินธามินสมมาติอิสก็ก็ลู้ฮาดอรุจิกนามิยังอบลูนะว่าอุตูบิหิมุตะชาบิฮานะนะอัลอายะคือในอายันนั้นในสุรบะกะระต้นต้นของสุรบะกะระเนี่ยคือชาสาวั์จะเอ่ยขึ้นมาว่าลูกผลไม้นี่เราเคยได้รับประทานและแอดีตสมัยบนดุนยาเมื่อก่อนแต่และแล้วความจริงนะนะ ชื่อเหมือนกันบางทีหน้าตาคล้ายกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกันฉะนั้นเ uh, จน น, นาทุนไนอิมที่อัลลอสุบฮานุวตารา จ, จะตอบแทนให้กับผู้ที่มีอิห ม, มาและอามานซอหละอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับครับก่อนที่เราจะไปอายะที่เก้าเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องนิดหนึ่งคำว่าคาว่าอามานซอลละที่พวกเราพูดกันทุกวนันะ วิทยากรไหนก็พูดเรื่องอามัณซอลเละอาจารย์ท่านไหนก็อามิดตัครูบรรดาตัครูบรรดาอาจึงอาจารย์ก็พูดเรื่องอามัณซอลเละคำว่าอามัณซอลเละคืออะไรอามัณทีอามัณซอลเละคือประกอบการดีหรืออามัณที่ดีในทัศนะของอลิซุนนวันยามะหมายถึงอะไรคําว่าอามัณซอลเละคืออามัณอิบาดะของเราที่สอดคล้องกับอันกุราน อา말ของเราที่สอดคล้องกับคำสอนในอันกุรอานนะครับนี่คือประการที่1นึ่ง อ, อา말ที่เราทำเนี่ยสอดคล้องกับวาหิยุของเราสุบฮานุว์ดาร์ลาประการที่2องมา말ซอเลคคืออา말ที่สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีอา말ซอเลคคืออา말ที่สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีสุลต์รอฮวาลิบัสัลดาแล้วก็ประการที่อามา말ซอเลคคืออา말ที่ ออคลาสเพื่ออัลลอสุบฮานาลามุคลิสีนละหุดดีนครับสามประการนี้ก็อยากจะฝากพอเมพี่น้องท่านผู้ฟังว่าถ้าเราทำอามานถ้าเรามีความประสงค์ต้องการที่จะอามาันของเราเป็นอามาซอหล่ที่ตอกตอบรบโดยร์อัลลอสุบฮานูตาลานีอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีสามเงื่อนไขนี้นะอัลลอัลอลหรืออนะัลลอวอัลมาฟวะหรืออัลมุตับิกบนะิิบิลละ aman ที <advisory> ่สอดคล้องกับอ <Bradley> ันกุรอานทงอันมวฟะโบิสุนนะอันบาวิยาอัลชาดีฟะนะ a n ของเราสอดคล้องกับนะฮะดิสหรือว่าสุนนะของท่านราสุลลาะอัลลอฮฺุสซาลลัมนะ aman เงินข่ายที่3ซาลิสันอัลอิคลาสบิลละอัลอิคลาสฟอมลิอัลอิลาสบิลลฮิุบฮานุวะตาอลคือมีความบริสุทธิ์ใจไอ้นี่เงินขหลักเลยเงอนขนี้ไปอยู่ที่ อยู่ที่ทุกองค์กรเลยทุกการงานไม่ว่าการงานดุนยาการงานอะคิร์รอเพราะว่าเรื่องของความเอกลักเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าลอสสุภาดารานั้นพระองค์ทรงสัง่งใช้พวกเราว่าทุกการงานทั้งหมดในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์องเดียบอินนัสซาลาดีวานุสุกีวัมมหายยาวอมามาตีลินละฮิรบิลาละมีเหมือนกับพวกเรากำลังถือศีลดยุคา น, นานี้แหละ ถ้าเราไม่ทุศีดอดเพื่ออลัลลอฮ์ก็ศีดอดของเราก็จะฝาวก็จะไม่ได้รับไม่ได้รับอะไรครับทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปเพื่ออลัลลอฮ์สุบฮหาหนุวาตาอะไรนี่คือประเด็นสําคัญนะอุลมามนะโดยเฉพาะอิหมัม่มทั้งอิหมั่มนวาวีเนี่ยนะเวลาท่านจะเรียบเรียงตําราเนี่ยนะทุกตําราของท่านเนี่ยนะบทที่หนึ่งจะใส่บทเรื่องของความอิคลาสพูดเรื่องของความอิคลาสก่อนถ้าพี่ น, น้องเคยเรียนฮะดิษ อรารบีอีนก็ดีนะฮะดิสเรียดสุสซาเลห์นก็ดีที่ตั้งเลี้ยงโดยท่านอิหม์มนาวาวีนี่ท่านจะใส่บาบุลิคลาสเช่นเรื่องของการเนียดในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสืออรารบีอินหะดิสที่สิบที่พวกเรารู้จักกันเนี่ย mm. บาบแรกก็คือเรื่องของเรื่องของเนียดฮะดิสเขียนก็เรื่องอินนมาลาบาลูบินเนียดประมาณนั้นครับอันนี้นี่ก็เป็น ถือว่าเ ป, เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นความรู้เป็นข้อมูลหนึ่งที่พวกเราควรรู้พวกเราควรรูนะ้ทั้งหลายทั้งปวงก็คือย้อนกลับไปหาความเอกราชหรือเรื่องของความเอกลาสที่เราจะต้องนะปฏิบัติในวิถีชีวิตจริงของเราในทุกๆวันในฐานะที่เราเป็นมุสลิมในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบานุวาตาลาครับนี่คืออายะที่8ครับต่อไปพี่น้องมาดูอายะที่เก้าข้อดีนะฟีฮะครับ สวรรค์ที่อัลลอฮ์สวรรค์ที่พวกเราจะเข้าไปอยู่เนี่ยอยู่กี่วันนะครับข้อดีนะฟี่ฮาอยู่อย่างท้าวโนไม่มีวันสิ้นสุดแล้วอไม่มีใครรู้ว่าโลกอะคีรอนเนี่ยโลกอะคีรอเนี่ยจะมีกี่วันมีกี่ชั่วโมงจนกระทั่งมีบางบางตตครูนะนะบางตตครูบอพระอัลลอฮ์ก็ไม่รู้ว่าะเขาว่าอัลลอฮ์ก็ไม่รู้ว่า วันเกียรมยัจะหมดจะหมดเมื่อไรเขาบอกว่า <c oughs> อัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงเพราะว่าไม่มีวันสิ้นสุดเออก็น่าคิดนะนะไม่ใช่ว่าพระองค์มีความรู้อัลลอฮ์มีความรู้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ อ, ล อ, ลอลัลอฮ์ีฟแต่ในเมื่อว่านะในเมื่อว่าโลก <c oughs> อะคริลไม่มีวันสิ้นสุดเอ่อมันจะรู้ได้ยังไงนะแต่ว่า<ข>พระองค<ข>์งนั้นทรงทรงรอบรู้พระองค์ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างครับเอ็นนี่แค่แค่เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของปรัชญาของตัวครูบางคนแต่ความจริงแล้วไม่ต้องรู้เรื่องนี้เพราะมันไม่เป่สุดไงถ้าไม่ใช่สุดก็ไม่ต้องไปหาวันที่สุดเอก็คืออาจจะไม่ต้องลงลึกอาจจะไม่ต้องลงลึกตรงนั้นะข้อดีดีนาเฟียอย่างท้าววนการข้อลทธิ์ต่อไปวัดรลอยฮักก่อตรงนี้เป็นจุดประเด็นสําคัญเลยครับอเป็นประเด็นสําคัญเลยแล้วแล้วบอกว่าน สัญญาของ ال ال ัลลอ้นั้นไม่เป็นมันสุขสิ่งที่อัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์ได้สัญญาว่าเนี่ยแน่นอนไม่เป็นมันการสัญญาของัลลอเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงมาชะลอนะอัลลอฮ์ของเรายุคลิฟลิมีอาดเพราะพระองค์คืออัลกอริมอัลม <ann> an, ันนานอัลฟาลิมายะชาอัลกอิดอัลกุลลิชัยพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็ได้ อัลลอฮ์คนะือพระผู้เป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์ฮักก่อนและมหาเล็ะอัลลอฮ์ฮุบัตในเมื่อว่าอัลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮ์เป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องทีนะ่เป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นเรื่องจริงเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องพวกเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เพื่อเราจะได้มีความสุขนะทั้งโลกดุนยาและอะคริร์ว่าฮุบัลอาซีซุลฮักีมนะว่าฮุวัลอาซีซและพระองค์คือผู้ ผูม้มีอำนาจและเป็นผู้ที่มีวิทยาปัญญายิง่งลาซิซูอลฮักีมนี่คือพระนามของอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى ครับต่อไปนะ่พี่เรามาดูในอายะที่10นะอายะที่10อายะที่สบนี้อัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى พระองค์ทรงอธิบายทรงบอกทรงอธิบายถึง บอกถึงความสามารถของลอสุบาหานวาตาลาอัลลอฮ์จะต้องบอกอย่างนี้เพื่อต้องการจะให้มนุษย์นั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เห็นถึงความสามารถของลอ ส, สุบาหานวาตาลาายาทที่10บเนี่ยเราบอกว่าบรรดาชั้นฟ้าและบรรดาแผ่นชั้นดินทั้งหมดเนี่ยชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสร้างมาโดยไร้เสาสร้างไม่มีเสา เราดูท้องฟ้าเลยเหมือนกับเป็นหลังคาเราเงยดูอย่างนี้เหมือนหลังคาที่กว้างใหญ่ไพศาลเราจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่ยุโรปหรืออยู่ที่แอฟริกาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเง็นดูฟ้านี่ก็ดูอยู่ในสภาพเดียวกันหมดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่นิวยอร์กก็ดูเหมือนกันหมดอยู่ที่ สตูนอยู่ที่ประเทศไทยก็ここดูเหมือนกันหมดที่จริงแล้วความกว้างใหญ่ p a i าตรงนี้ถ้าหาว่ามนุษย์สร้างถทาวิศวกรธรรมดามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีตัวรับจะต้องมีเสา อ, อย่างหมาสาเลยทีเดียวแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าขลกคสมาวาจิบีไรย์ยามาเดินตาเราเ น, น่านะอัลลอฮ์ไม่มีเสาที่ที่เรามองด้วยตาเราเยได้เราไม่เห็นเสาว่างั้นเถอะนะไม่มีเสาอัลล์บอก สำหรับผู้ศรัทธาสำหรับผู้ที่จะ إيمان ต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับอายัดนี <Yeah. S 1> สดส้สร้างฟ้าโดยไรย้เสาสร้างฟ้าโดยไร้เสานนถ้ามนุษย์ตอนเนี้ยแค่ว่ า, าสร้างโทรศัพท์ไร้าสรายสนะได้แค่นั้นนะนะแต่นี่สร้างฟ้าโดยไรย้เสาเยาะเยอะลบอัลลอฮ์หกปับอิบนาบาสและอิคริมาห์และมุจฮิดบอกว่าละฮะอามัดละตารนานะฮานะละฮะ นะอิมโนอาบัสสวยอย่างนั้นครับมีเสาแต่มองไม่เห็นนะฮะและหาอามัดลตาตะเรามีเสาแต่เราไม่เห็ น, นอ<ะ>่าก็เป็นคำอธิบายหนึง่งก็ก็นี่คื อ, น, คอนี่คือทัศนะของของอิมโนอบาสครับนะัสแต่ว่าอในคุรานบอกว่าไม่มีเสาแต่ทัศนะของอิมโ น, น, น, น, น, น, นอาบัสในฐานะสหะบะอิกลิบะในในะตาบีอินมุจยาฮิตอาบีอินมุฟัสซีนจากชาวชบียนก็เห็นแบบอิบโนอาบาสแต่ว่าฮัสซันบัสรีเห็นอีกแบบหนึ่ง นะฮัสซันบัสรีกล่ฮัสซันว่ากตา ا, นะ้าดาทั้งฮัสซันและบัสรีเล็กกตาา้าดาบอกว่าเลสลา م م อมะมรียะนะเสาไม่ไม่มีเสาที่จะมองเห็นได้นะห ม, ม, มายถึงว่าฮัสซันบัสรีนี้อธิบายว่าไม่มีเสาไปเลยไม่มีเสาและก็มองไม่เห็นไม่มีและก็มองไม่เห็นด้วยนะแต่อิมย า, าบบัสบอกว่ามีแต่ว่ามองไม่เห็นมอร์ชาลอทั้งสองก็ความหมายเดียวกัน ก็คือไม่เห็นนั่นเองไม่มีไม่มีอแต่ว่าในคัมภีร์ตัวบทเนี่ยบีไคเดียมารินไม่มีครนะไม่มีที่จะให้เห็นอแต่ว่าด้วยด้วยเห็นนี้อิโนบัสบอกว่าอาจจะมีแต่ว่ามองไม่เห็นครับทั้งหมดทั้งทั้งสองทัศนคติของอิโนบัสก็ก็ไม่ไม่เสียกี่ได้นะมีแต่วมองไม่เห็นนะต่ลเราไม่ให้เห็นต่อไปวอัลกอฟิลอารดีราวัสยอันดามีดับบิคุมแล่าละ ได้ปักเสาอะลัดสร้างแผ่นดินเนี่ยสามาวัตสามาวัตแปลว่าชั้นฟ้าอัลอัลแปลว่าแผ่นดินนะพี่น้องนะสามาวดตในกรวนแปลว่าชั้นฟ้าใช้คำในไวยากรณ์อาหรับใช้ด้วยคําย่ำแสดงว่าฟ้าหลายชั้นสามาอ้นชั้นเดียวสามาวัตฟ้าหลายชั้นยมามูอันนัสนฟ้าเมีเจชั้นจากหลักฐานตัวนี้แหละฟ้ามีเจชั้นแต่ว่าอัลอัลเนี่ย เชั้นแต่ว่าใช้คําเป็นมุฟฟรอตเป็นเอกพจน์อยู่อั น, นี้เป็นเป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของวยากรณ์อาหรับนะทำไมอารไม่ไม่ใส่คําว่าอาร์ดอรดหรือ อ, รอรารดวัตนะไม่ใช้คําว่ายา้ําแต่ว่าฟ้าเจดชั้นนะนักวิชาการก็อธิบายเรื่องนี้ว่าแผ่นดินเนี่ยเชั้นก็จริงแต่ว่าติดกันหมดเจชั้นที่ติดกันหมดเลยใช้อลลอสมาด า, าใช้มุฟฟรอตใช้คําเอกพจน์ได้ แต่ชั้นฟ้านั้นห่างกันระหว่างแต่ละชั้นนี่กว้างใหญ่ไพศาลชั้น1กับชั้น2ชั้นสองกับชั้น3ชั้นสามจชั้น4ถึงชั้น7เนี่ยระหว่างสระหว่างสองชั้นฟ้านี่จะเป็นจะเป็นมาไบนัุมาระหว่างมันจะมีระหว่างอยู่มีระหว่างอยู่ระหว่างนั้นเน่ก็ใช้เป็นคำเป็นเป็นเผ่าพศครับเน่ก็ไปไปกัดกัดแท็กในเรื่องของวยากรณ์นิดนึง พระคุราน จ, จะต้องการอธิบายอันกุรานเป็นต้องอาศัยวยากรณ์มาอธิบายด้วยและก็เป็นหลักด้วยไม่ใช่อธิบายแต่เป็นหลักเลยครับตรงนี้อลัาลลอฮฺสุบานเราจะบอกว่าอัลลอฮฺสร้างฟ้ามาแล้วก็ใส่ตะปูให้ตะปูของฟ้าก็คือภูเขาภูเขาที่อยู่บนบนแผ่นดินขณะนี้ที่พวกเราเห็นว่ามีภูเขานั่นนั่นนี่นนนก็นิกรานบอกว่าเป็นตะปูที่จะมาตอกย้ํา ม, มันเนบหรือมาตอกย้ํา อย่าให้แผ่นดินนั้นไหวขณะว่ามีตะปูแล้วก็ยังไว้อยู่ตอนนี้นะอาจารย์ไว้อยู่ริกเตอร์ริกเตอร์ที่เราเรียกกันน่ะน่ะอ่ามันยังไว้อยู่แล้ววันสุดท้ายก็อรอให้แผ่นดินไหวโลกวันอวสานแห่งโลกก็แผ่นดินไหวซิลซาดนะอิซ่าซุนซิลัดิลอารดุซิลซาลฮะวะอัคริยะดิลอรดุอัสกาลฮะวันกียยมาในแผ่นแผ่นดินแผ่นดินไหวอย่างมหาศาลล่ะแผ่นดินไหวอย่างแรง น่นฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอเล็กเป็นผู้สร้านงะหลังจากที่สร้างแผ่นดินแล้วอเล็กให้อะไรมาอีกแบบเซฟี่เฮมิงคุลิดาบอเล็กจะก็จะโปรยหวานหนะวานชนิดของบรรดาสัตว์ต่างๆบรรดาสัตว์ต่างๆที่อยู่บนบนหน้าแผ่นดินของอเล็กขณะนี้เนะี่ยอเล็กให้มาหลังจากที่อเล็กสร้างแผ่นดินเสร็จนะสัตว์ไม่รู้กี่ชนิดไม่รู้กี่ล้านชนิดนะที่เรายังไม่รู้จักนะ แค่บ้านเราเราก็รู้จักไม่หมดภนะูเขานั่นภูเขานี่สัตว์ในทะเลทรายกับสัตว์ในประเทศที่อบอุน่นอย่างบ้า น, านเราเนี่ยประเทศร้อนบ้านเราถือว่าเป็นประเทศโซนร้อนแต่ออฟริกาเป็นประเทศโซนอบอุน่นในตอนออกลาวเป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายและในที่ต่างๆก็สัตว์ไม่เหมือนกันอีกมาเชีอนะัลลอฮ์นะวบัสซี่ฮามิกลิดาบะเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้ แต่สิ่งที่อยากจะฝากพวกเราว่าคนที่รู้นอกจากอัลลอุมาดแลวคนที่รู้สิ่งเหล่านี้รู้รู้บทเนี่ยนะก็คือท่านอบดุบดัมอัลลอฮฺสอนนบดุลดัมให้รู้จักชื่อของสรรพสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะชื่อของสรรพสิ่งในโลกนี้ว่าอัลละมาอัดมัลอัสมาอัคุลลาหะว่อัลละม่อัดมัววอัลละม่อัดมัลอัสมาอัคุลลาหะชื่อของสรรพสิ่งในโลก อัลลอฮ์ได้สอนอาดัมไว้หมดก่อนที่อัลลอฮ์ก่อนที่อาดัมจะแต่งตั้งก่อนที่อัลลอฮ์จะแต่งตั้งท่านอบีอาดัมเป็นขลิฟฟาฟิลอารนะอัลลอฮ์ก็สอนท่านอาบีอาดัมให้เป็นผู้รู้นะสอนนาบีอาดัมให้เป็นผู้รู้เพื่อจะเป็นให้เพื่อจะให้มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นขลิฟฟาฟิลอารฉะนั้นคนที่จะเป็นคอลิฟฟาคนที่จะเป็นผู้นําของสังคมของของโลกของสังคมจะต้องมีความรู้เป็นหลักนะครับ นี่เรื่องของสัตวนะ์สัตว์ต่างๆที่ออลลอได้โปรยลงมาอมมาชาออลลอเราก็รู้จักไก่รู้จักเป็ดรู้จักไม่ไม่เกิน20ชนิดที่รู้จักกันอยู่แต่ออลลอก็ให้มาผู้ให้คือออลลอฮฺและหลังจากให้สัตว์แล้วก็วาอันซั่นามินัสสมาิมาอะแล้วออลลอก็ได้ให้น้ำฝนลงมาจากฟากฟ้ามีสัตว์สัตว์ถ้าไม่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้ แลย้ยวแล้วก็ให้น้ำฝนลงมาเราก็ติดอยู่ในบรดาสัตว์ด้วยนมนุษย์คือสัตว์หนึ่งสัตว์หนึ่งจากหลายสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นโลกจะต้องรับน้ําจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละอันซันนามินะสัมไอมะะน้ําที่ลงมาจากข้างบนจากฟากฟ้าเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานมาให้เ ป, เป็นผู้พระราชทานมาให้ฟาอัมบัตนาฟีฮามินกุลิโซยินกะดีมด้วยเพราะมีน้ำเนี่ยมันจะเกิดพืชผลต่างๆ เกนะิดพืชเกิดต้นไม้เกิดนะต้นไม้ต่างๆหลากหลายที่สวยงามเราดูต้นไมนะ้ข้างศูนย์ของอาจารย์ฮารุเนี่ยจะมีต้นไม้หลากหลายไปเก็บเอาไปเก็บซื้อมาจากตลาดเพื่อต้องการประดับประดาให้ศูนยะ์ ส, สวยงามเรย์จิงกะรีบนัก็จะเรยิงกะรีมนะาร ม, มาชอลลนะ์เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะพวดเกี่ยในอัลกุรอานเรื่องต้นไม้ที่จะมาประดับประดาเป็นคู่บ้าเดือนเป็นคู่คู่คค บางสิ่งก็เป็นคู่คู่นะดูเราไปสังเกตต้นไม้จะเป็นคู่คูนะจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาเรียกหมากผู้หมากเมียนะเป็นตัวเป็นทั่ผู้แม่กระทั่งมนุษย์มีมีผู้มีเมียครับทุกอย่างก็ตัเทียร์เรังกันไปถึงว่าทั้งพืชพันธุ์ก็เป็นคู่เพศผู้เพศเมียนะสัตว์ก็เป็นเมียทุกอย่างเป็นผู้มนุษย์อาจจะที่ที่เป็นเป็นขี้หรือว่าพิที่เป็นเย็นนี่มีน้อยมากวิตเต็มีบ้างนะมีบ้างแต่มีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคู่ ไม่กระทั่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยคู่มีตัวขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกถ้ามีตัวเดียวนี่มันจะไม่เกิดกระแสไฟจะไม่กระแสไฟก็จะไม่วิ่งมาจะกระจากระจายไม่กระจายเสียงออกไม่กระจายเสงออกมาครมาอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นเรื่องพิลึกนะครับต่อไปดูอายะที่สิบอ็ดฮาดะฮลุลลอนี่คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาฮาดะฮลุลลอห์นี่นะฮาดะมัคลูกละ เป็นมักลุกของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คือมักลุกของอัลลอฮ์ฟ้ารูนี่มาจาคอละคนเลยนะมินดูนี่ตรงนี้อัลลอฮ์ท้าเลยพระองค์ทรงท้าทายบรรดามุชริกินบรรดาจอลิมีนว่าใครบ้างที่สร้างได้อย่างเราเอาม า, าเชิญม า, น, านักปราชญาคนไหนนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ว่าประดิษฐ์สิ่งนั้นเป็นคนแรกของโลกน่นนั่นนี่ใ น, นที่เราเคยอ่านตำราของชาตวันตกว่า คนนี้เป็นผู้ประดิษฐ์ไฟฟ้าคนแรกของโลกคนนี้เป็นผู้สร้างนั่นสร้างนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างนั่นสร้างนี่คนแรกของโลกนะเป็นตำราตะวันตกที่พอเราโลกกันมาแต่ก็อ่านกันมาเป็นนะเป็นศตวตรรษนะครับตรงนี้อลอธาเลยว่าฝาอรูนีเอามาดูเอานะมานะบอกว่าสิมาจากข้อลักลัทธินะัมินดะูนะีฮีคนที่พวกเจ้ายอมรับพวกเจ้าบูชาอยู่นะ จนะากบรรดามุชิลิกินบรรดาซอลิมีนะที่หลงไหลนะฟีดอลลิมูบีเนี่ยนะสร้างอะไรไว้บ้างนะมนเลวันกะที่จมูกก็นะต้องต้องไล่ออกไปนะ เ, เหล่านี้เป็นต้นคือจะบอกว่าหมาอํ า, านาจผู้ยิ่งใหญ่จริงๆคืออัลลอฮสุบฮานวาตาละาครับ هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادرنا عن فعل الله وخلقه والتقديره وحده لا شريك له في ذلك ولهذا قال تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي مما تعبدون وتدعون من الأصنا والأدان رون ท م ت ح ا ت حالنا بل الظالمون يعني المشركين بالله العبدين معه خير في ض ل ا ل مبين في جهل وعم ว่อนะวมาหรือว่าอวามีนะครับอัลลอฮุมาชาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทรงประกาศว่าพราะองค์คือมาลิเกียมิดดินรบบิลาลาและมีว่ามาลิเกียมิดดินนะพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล น, นี้นะและก็เป็นผู้เป็นเจ้าในวันอัคคีรอเหมือนที่เราได้เรียนรู้ในช่วงต้นของสุราอัลฟาติฮะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานุตอัลเลาะห์ในฐานะคอลิกมาบูธ ข้อลักครับก็ไปยัสุดท้ายสําหรับเชา้านี้ครับก็ขออนุญาตไปอายัที่12บสอเวลาของเราจำกัดนะอายัที่2ิบสองนีจงน้จะพูดถึงลุกมานจะพูดถึงลุกมานซึ่งก็คงจะเป็นไฮไลท์ของสุร้อนนี้ชื่อก็ลุกมานและ ก, ก็เพิ่งอายัที่12เนี่ยเพิ่งจะเข้ า, อาลอสสวาดาลาจะกล่าวถึงลุกมานซึ่งเป็น คนคนหนึ่งที่พระองค์สรงให้เฮกมากับท่านนะครับวรกฎอะไนาลูกมานั่นเฮกมทาทะมาชอลอปนะลุกมันคือใครอยากท บ, ท, บ, ท, บ, ท, บทวนนิดหนึ่งอยากตั้งฟัสลับ ฟ, ฟีลุกมานบรรดาชาวสาลับบรร ด, ด, ด, ดาบรรดาบรรพชนเนียดีเนี่ย เ, เห็นมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องลุกมานฮัลกานานาบียนันว่าลุกมานเป็นนบีหรือเปล่า เอาอับดุลซอลีฮันมินไรนูบัวหรือแค่เป็นเบียงบาวที่ซอเล่เท่านั้นไม่ได้เป็นนบีอะลาโกลเล น, นขันดแย้งกันไม่ใช่กัดแย้งคือมีความเห็นไม่ตรงกันสองทัศน์ะแต่ว่าอัลอัรุลอัลลานีแต่ส่วนใหญ่แล้วอยอมรับในทัศนะที่2คือเป็นอับดุลซอลีฮันมินไรนูบวไม่ได้เป็นนบีแต่อย่างใดนะว่กอละซฟียนอัลซอุีอันอัจฉะอันอิกมอันิอับบาส Kala Lukman abdul Habashiyan najaron. Tan Sufyan As-Sawri, al-majal al-ash ash al-majal Ikhlimah, dan al-majal Ibn Ya'bas bawa Lukman adalah dari orang Afrika, dari Ethiopia, orang Habshah, najar, dan juga seorang tukang kayu. Katalah apa? Al-Majal Abu Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah b a h a b a l u l l a n b i n b a h b a b d a h a b d i n a b a h b i h i n a i a b a h h a b d u a h n a d u a h a n b i n a h i a n a b a i d u i n a b a d a h a h n a b b a n a a u l l a h Abdullah bin a u b a b d u u n a u l l i n a b i n b i n a b i l l a h b a n a a h a i l a i n u l i n a b a a n i l u l l a n ท่านยาเบตบินอัมเดลบาบอกว่าเรื่องของลูกมานี่มันเป็นยังไงกันคนยังไงหน้าตายังไงก็แล้วยาเบตบินอัมเดลบาบอกว่าแค่นากกอดซี่ร่างเตีย้ยอัฟตอตัดเล็จมูกใหญ่มีนันนูบาที่เป็นชาวนูบัสนูบาสก็คือหมู่บ้านหนึ่งในแอฟริการ่างเตีย้ยจมูกจมูกแบนนเตีย้ยแล้วก็ผิวดําจมูกแบ น, นคนผิวดําในที่เป็นคนดีที่ถูกกล่าวใน ในหน้าประวัติศาอิสลามนี่มีอยู่3าท่านอย่างน้อย3ท่านท่านที่นึ่คือท่านบีลานท่านบีลานเป็นซอฮาบัตของท่านนาบีที่ที่เป็นชาวสวรรค์ที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์นะฮะก็ถึงแม้จะไม่ติดอยู่ในมุบัชชารีนะบินเย็นนะแต่ว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่ น, นอนเพราะคืนที่นบีขึ้นไปขึ้นที่นบีเสด็จไปยังชั้นฟ้าเพื่อพบกับอัลลอฮ์สุบฮะดาลานี่ ตอนขาลงเนี่ยตอนที่ขาลงมาอยู่ชั้นฟ้าประมาณชั้นฟ้าที่หหรือที่ห้าเนี่ย น, นบีมาลิกริดวาเ น, นี่ได้นํานบีไปเยี่ยมสวรรค์ของลอสบานดาร์ ล, ลาตอนที่นบีได้ไปเยี่ยมสวรรค์เนี่ยนบีตอนที่นบีเดินอยู่เนี่ยนบีเห็นมีคนเดินอยู่ในสวรรค์แบบเดินแบบแบบเท้าหนักอะ่ะแบบเท้าหนักๆ ค, คนแอฟริกาเนี่จะเท้าหนักเดินแบบเท้าหนักได้ยินเสียงและก็เหลือนบีเหลือไปเห็น จากด้านหลังของขอ ง, ของคุณนั้นน่ะเหมือนกับบิลลันเหมือนกับบิลานหนบบลนังจากนั้นอบลบีก็ลงมาละหมาดซูบโบที่กาบะที่เบตุลลาะที่มักกะหลังจากนั้นอันบดีก็ไปพบกับบิลานลบิลลนก็มาละหมาดยามาพร้อมกับท่านอบดุลีนะนะอบีพูดกับบิลลนว่าเมื่อคือนเนี่ยนข้าพเจ้าได้ไปเห็นเจ้าอยู่ในสวรรค์ยังไงประมาณนั้นแหละคือจะบอกว่า <c oughs> บิลลันนะ นบีได้ไปเห็นภาพของบิลานที่อยู่ปรากฏอยู่ในสวรรค์ลแล้ว บ, บิลานคนนี้เป็ น, ปนชาวผิวหมึกเป็นชาวผิวดําของแอฟริกาคนหนึ่งเ ร, เรียกว่าอับดุลฮะบชียน์นหนึ่งจาก3คนคนที่2ก็คือมหายะมูาลาอัลบานเป็นข้อตอบอมหายะเนี่ยมหายะเนี่ยเป็นคนชายของท่านอนัลบานเป็นข้อตอบและก็ท่านลุกมานี่อีกคนหนึ่งครั บ, รบที่เป็นชาวฮะบชี ครับตรงนี้ด้วยเวลาอันจำกัดตรงนี้อยากจะอยากจะโฟกัสมาที่ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับลุกมาอัลลอฮ์ให้อัลฮิกมามาชาอัลลอฮ์ฮิกมาเรื่องเรื่องใหญ่เลยฮิกมาพี่น้องจะต้องขอดูอาว่าให้พี่น้องได้รับฮิกมาทุกวันนะอัลลอฮมะรับบันอาตีนัอัลฮิกมานะรบบนอะตนรบบันอาตีนอัลฮิกมาอัลเลตีฮียามายุตีฮ่าฟกอุตีฮะใครองกัสีร อ้ลวเราบอกว่าพูดไดจงขอด้อาให้เราได้รับฮิกมาเพราะฮิกมานั้นใครได้เนี่ยจะได้ของดีอันมห า, าศาลอัลลอฮฺฉะนั้นฮิกมาเนี่ยเนี่ยวิทยาปัญญาพิเศษความรู้พิเศษถ้าพูดภาษาบ้านเราให้ง่ายอะ<ม>ความรู้พิเศษเนะี่ยถ้าใครได้แลนะ้วนี่ยเหมือนกันได้แก้วิเศษเหมือนฉะนั้นลักษณะอย่างนั้นแหละนะนะใครได้ความรู้พิเศษได้ได้ฮิกมาเนี่ยเนะขาเรียกคนนั้นมีฮิกมามีฮิกมาแสดงว่า มีคุณลักษณะอียพิเศษฉะนั้นฮิกมาเนี่ยอัลลอ์ในฐานะที่อลัลลอฮ์รักลุกมาเนี่ยถึงแม้ว่า้ไม่ได้เป็นนบีแต่ว่าอลัลลอฮ์ให้ฮิกมากับเขาจนกระทั่งอลัลลอฮ์กล่าวในคุรุอ่านแล้วก็จากฮิกมาของของลุกมาเนี่ยก็ได้สอนมนุษย์หลายหลายเรื่องหลายๆเรื่องนะฉะนั้นสิ่งแรกที่ ที่ลิลุกมาสอนคืออะไรอานิชกุรลิลลาสอนให้เราในชุโกตออลลอฮฺสุบะฮ์ดาละเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในที่ถึงสิ้นที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเปล่งออกมาจากหัวใจและปากของเราทุทททกวินาทีเนี่ยชุโกตออลลอฮฺสุบฮ์ดาระอานิชกุรลิลลาวะมัยยะชุดเฟยินะะมัยยะชุโรดินับสิและผู้ใดที่ชุโกตออลลอฮฺเนี่ ย, Allah, ah ล ย, ยผลบุญก็กลับไปหาเขาเองนะไม่ใช่าชุโกตออลลอฮฺเพราะเราชุโกตออลลอฮฺได้ ได้เต็มได้ดัชนีได้เต็มได้ความดีกลับไปแล้วไม่ใช่แต่ว่าเราบอกว่าเมื่อยชครุฟอินนอเยชครุลนับสี่ว่ามันก็ฟะรอฟินัลลอฮะก้นยนฮามิดแล้ก็ท่านลุกมานี่จะสอนอีกเรื่องหนึ่งที่ลุกมานสอนก็คือเรื่องของชีริกเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวอายัข้างหลังเนี้ยเอาละลูกมานจะสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ห่างกลเร <c oughs> ื่องของชีวิตของรสสุภาดาราแต่ตอนนี้อยากจะ ย, ย้ำประเด็นโฟกัสมาที่ว่าเมื่อลูกมานได้ฮิกมาอ๋อล้วก็ให้ลูกมาณชุโกต่อแล้วตรงนี้ในแยะก็คือว่าชุโกต่อแล้วขอบคุณอัลลอฮเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในวัจเจของผู้ศรัทธาอยู่ตลอดครับก็สำหรับเช้านี้ก็คงจะในส่วนของผมก็คงจะเอาไว้ตรงนี้ก่อ น, นว่าตรงนี้ก่อนอแลเดี๋ยวที่อาจารย์ต่อ นครับนับศูนย์อะราะห์มานุราะหิมซัลลัมวะลัย კ ุมวะราะฮ์มัตัลลอฮฺวะบะรกตุนครับนะครับวันนี้ผมเองก็มานั่งเรียนเหมือนกันนะครับที้ผมบอกบ้อบรรยายนะครับอธิบายผมก็นั่งเรียนนะครับนั่งจดแล้วก็อ่านแล้วก็เสิร์ชข้อมูลไปพางๆนะครับเพื่อที่จะได้เติมเต็มบางจุดนะครับเพืพี่น้องนั้นได้มีความกระจางเข้าใจเพราะอังกราเนี่ยฮะพูดหนึ่งอย่างเนี่ยแต่ความหมายเนี่ยเท่าจริงอะคือไปได้ทุกเรื่องมัน หมายลึกและก็วกว้างและก็ไกลามากมากนะครับทำ น, นี่แล้วนะครับวันนี้เราอยู่อายะสุรลุกมานพี่น้องที่มาทีหลังนะครับอาจจะบางคนเข้ามาตอนนี้พี่น้องอยู่รายการเยอะมากครับ ม, มาจากอเมริกาก็มีมาอยูจากอเมริกา อ, อยู่มาเลเซียกรุงเทพนะครับอยู่หลายจังหวัดพตัตตานีมาค น, นคไทยวะ ค, <ใ>นคนไทยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเยอะนะฮะติดตามรายการของเราถึงคนไทยที่อยู่เมืองไทยก็เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพี่น้องทักไทยเข้ามาเยอะมากฟักสลามถึงมาบอและก็พวกเราทั้งสองท่านนะครับมผมถึงเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยพี่น้องบางคนก็มีงานการกุศลนะครับอยากใช้เราเช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราช่วงช่วงท้ายนะฮะพี่น้องต้องการฝากให้ใครของเดี๋ยวนี้ก็ฝากให้ประชาสัมพันธ์อะไรนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายจะอ่านให้ฟังนะครับอินชอลร้อนนะครับผมขอย้ำสรุปนะครับโซลลุกมานะครับอาญาที่ วันนี้อายะที่แปดนะครับแปดถึงสิบสองนะครับแตะกี้บอกว่าประเด็นแบบไปกว้างมากฮะแล้วก็เยอะมากไปโพ้นทะเลครับ <c ough> เยอะมากแต่กี้แล้วก็เลยพี่น้องที่ตอนนี้เรามีฝ<ป>่ายฝ่ายบันทึกอยู่ด้วยฮะเพราะว่าพเพราะเพราะว่าตัสซิสอุ้กซิส ก, ก็ บ, บอกแล้วก็ความรู้อื่นที่เรามีอยู่ก็พยายามดึงมาเสริมเพื่อให้เห็นความเมื่อกี้ไปถึงอเมริกานะไปแอฟริกาด้วยไปแอฟริกาญี่ปุ่น ครับ mm hmm. ผมทำดแล้วนะครับในช่วงต้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺอสุต阿拉นะครับได้บอกถึงเขาเรียกว่ายะซาอุน อ, อัอครนะครับผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้ในโลกหน้าเนี่ยนะครับคือสวงสวรรค์นะครับคนที่มุฮซินนมะวานนะคนที่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยอัลลอจะให้สิง่งตอบแทนเขาในสวรรค์นั้นก็คือในโลกหน้านั่นคือสวรรค์ของเาสุบฮานาหัวตาอาลานั่นเองนะฮะดังนั้นพอพูดถึงว่า คุณสมบัติของคนที่เข้าสวรรค์ก็คิดว่าต้องอมนูษยอามรุมสอริฮะามาคู่กันเลยจะไม่แยกระหว่างอีมานกับอามานนะครับอิสลามจะไม่แยกว่าอีมานและก็อามานภาคศรัทธาและภาคปฏิบัติไม่ได้แยกทั้งสองตรงมา ค, ค, คู่กันนะครับดังนั้นในนิยาม อ, อิมานไม่ได้เป็นเรื่องเพือฝันใช่ไหม ก็ก็ฮัสซันบารีบอกว่าไลสันอ ي มานุบิตแมนนี้ว่าจะถึงผลนต่แต่แว่แต่แต่ลก่แต่าต่แต่แม่แต่แต่แต่รต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่าว่แต่แต่แต่แต่แตแต่แต่แต่แต่แ่แต่แต่แต่แต่่แต่แ่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ต่แต่แต่แต่แต่แน่แ่แต่แต่แแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต ว่าเาเว่าาเตะฮันลีอิมานก็ไม่ใช่แก่การเป็นการประดับประดาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อสีขาวหมวกขาวไว้คลายาวก็ไม่ได้สื่อว่าอิมานร้ออร์เนบไม่ใช่เรื่องประดับว่าเรากินมาว่าากินหัวแต่มันก็คือมาว่าการอื่นก็คือสิ่งที่มั่นคงในหัวใจและก็ตอบสนองต่อการปฏิบัตินั่นเองนะครับดังนั้นอิมานถ้าตามนิยามเลยนะครับก็คนที่ตำรับตำรับตําราวิชาอักกะก็เชื่อกันว่าอิมานก็คืออันอิติการูบิลกล วันนุชกุบิลิซันวละอามาุบินชา ว, ร ح, วอริหวัอัตแก็คือการยึดมั่นด้วยกับวใจนะครับแล้วก็การกล่าวออกมาด้วยกับวาจาลิ้นนะครับแล้วก็การปฏิบัติด้วยกับอวัยวะแสดงว่ า, าใจนะครับปากแล้วกายเนี่ยต้องรประสานกันนะครับต้องเป็นไปด้วยการถือว่าทวติมา จ, จะสมบูรณ์นะครั บ, รบนั่นคือคุณลักษณะที่จะได้ข้าศนของลอสุภานาะวัตตาดังนั้นพอพูดถึงสว่านเนี่ยครับอายังกรานตรงนี้ใช้คาว่า เใช้คําว่าจันนาทุนไอมนะครับดังนั้นจันนาทุนไอมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสวรรค์จันนาตนเนี่ยสวรรค์หนึ่งที่นะครับจันนาตนเนี่ยแปลว่าสายสวรรค์หลายหส่วนคือสวรรค์เนี่ยกว้างแล้วก็มีหลายส่วนมีหลายจุดมากๆมีหลายโซนมากมากนะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมขอยายยกตัวอย่างบางชื่อและกันที่เป็นชื่อของสวรรค์บางคนก็เอ๊ะทาไมบางคนเรียกว่าฟิดเดิลสอันนี้จันนาทุนไอมลองว่าอันไหนคือสวรรค์ความจริงแล้วสวรรค์นั้นมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายส่วนมากมากนะครับเช่น สวรรค์อันฮอสนานะครับดังนั้นใครมีภรรยาหรือมีลูกสาวชื่ออันฮอสนาก็ตั้งชื่อได้นะนะครับเป็นชื่อหนึ่งของสวนสวรรค์นะครับ Al ose, อันฟร็ดเดอส์อันนี้สวรรค์ชั้นสูงสุดที่อยู่ตรงกลางนะครับสวรรค์ชั้นสูงสุดและอยู่ตรงกลางแล้สวรรค์ชั้นฟร็ดเดอสนะครับต่อไปชันน่อาเลียก็มีเหมือนกันในะระบุนังโกรานนะครับดารุสสลามอ่ามัสยิด ต, ตั้งชื่อดารุสสลามเยอะก็เป็นชื่อหนึ่งในสวรรค์นะครับดารุนมุตตะกีนอ่านะครับบ้านของ ผู้ที่มีความยำเกรงอัลกุฎฟะที่แปลว่าห้องก็สวรรค์เหมือนกันเจนนตุลคุลนี่มีเหมือนกันนะครับดารุนอาเครอดารุนเกรอรออันนี้มสัสซิดที่กรูบังปลนะบบบดารุนกรอร อ, อดารุนกรอรอนะครับก็เป็นชื่อสวรรค์ น, นะครับดารุลมาโกมานะครับนี่ก็คือเป็นชื่อต่างๆในของสวรรค์ของเราซุบฮานะหวัวตา阿านะครับซึ่งสเปคของสวรรค์นเนี่ยนะครับถ้าถ้าให้ตะ ก, กี้บบบก็ได้สาธยทายบางส่วนและความบรมสุขที่เราจำเป็นให้นะครับ แต่ก็มี h a d i ่วันหนึ่งที่มาอธิบ า, ายแล้วออน่าสนใจนบีบอกวา่ามาละอินุรอัดเวลาอุนุนซามิอัดเวลาขัตรอัลตุนบะชัดนะครับก็นะคือสายตาเนไม่เคยเห็นความสวยงามของมันเลยว่าจะงามขนาดไหนนะครับคือมันเกินจินตนาการของเราไ ป, ไปเลยเวลาอุนุนซามิอัดนะครับความเพลาะพริ้งที่อยู่ในสงสวรรค์นเนี่ยเราก็ไม่เคยฟังมาก่อนอะไรที่เราฟังแล้วมันเพลาะไม่เคยได้ยินมาก่อนในสวรรค์นเนี่ยมันเพลาะกว่ามากมายหลายๆเท่าไม่เคยสัมผัสหูเราไม่เคย สัมผัสความไพเราะมา ก, ก่อนสุดท้ายแล้ ว, วลคออลคารมชหัวใจของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจินตนาการคิดไปถึงอะว่ามันสูง ข, ขนาดไหนนั่นคือสวรรค์ของลกสุตลาที่จะมอบให้กับเราทุกคนนะครับอินชอนล้อนะครับถัดมานะครับอายะ น, นี้พูดถึงาการสร้างของอัลลอสุบฮานาหุอัตล า, านะครับพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างต่างนะครับไว้มากมายนะครับซึ่งตะเกะอาลิบบอกไปพี่น้องนะครับมี ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตะกี้บาบูบอกชีสวันใช่ไหะต่อไปประตูสวรรค์ด้วยนะครับประตูสวรสด์มีทั้งหมด8ประตูนะครับสวัสดิ์นี้มีทั้งหมด8ประตูและประตูที่ของชาวรมฎอนก็คือบาบูตรายานนะครับรายันนี่ไม่ใช่เป็นสวนสวัสด์นะเป็นประตูนะฮะประตูพื้นที่เข้าสวรสด์ต่างนะครับบาบูตรายันนะครับก็ชาวชาวสยามเลยนะครับอันนี้จะมีประตูพิเศษอยู่นะครับหรือบาบุตโซดกคนบริจาคเยอะๆก็จะมีประตูพิเศษบาบุตโซละ คนที่รักในกาลมาใครก็เป็นโซนนะครับก็เข้าไปพังประตูนั้นได้เลยนะครับแล้วก็บาบุญจิฮัดนะครับคนที่ต่อสู้อยทางอ่อนเราก็จะมีประตูพิเศษนะครับก็มีประตูพิเศษเช่นเดียวกันเห็นไหมในสอนมันมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไปให้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยบรรยายเรื่องสวรรค์แบบยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ประตูสวรรค์ที่ว่ามีแปประตูมาบอประตูสวรรค์ฮะดิษบอกว่าทุสตะหูอับวาบุญจันนทิโยมันอิสเนวายมันคัมิสนะครับอารอจะเปิดประตู สวรรค์เนี่ยทุกๆวันจันรและวันพฤหัสนะนะครับแต่ก็ประหัสพอดีเลยแต่รัมดอลนี้ทั้งเดือนทั้งเดือนอ๋อใช่เรารัมดอลนี้พิเศษทั้งเดือนเดือนอื่นเนี่ยทุกวันทุกวันอะไรทุกวันจันและวันพฤหัสนะครับเห็นไหมพอวันที่เราเปิดประตูเนี่ยหสวรรค์เนี่ยนบีให้เราบวชมีบางฮัจดิษบอกว่าทุกๆวันของอรมดอลเนี่ยชาวสวรรค์นี้จะเปิดประตูหน้าต่างของห้องสวรรค์ที่จะรองรับพวกเราในวันอาครย์รอดเนี่ยเปิดตาเปิดอ่าแล้วก็ ก็ไปเตรียมหมอนยาวไปเตรียมหมอนอิงไปเตรียมเบาะไปเตรียมอ่าสิ่งอน่นอันนั้นวต่ในความสะดวกในห้องเหมือนกับครับภาพคล้ายๆกับห้องของบนดุนยาเนี่ยและจะเตรียมทุกวันยังเจ้าของยังไม่มารอคอยรอคอยอยู่ครับอ๋อสั่งว่าเราพี่น้องต้องมีกําลังใจนะคือเราบวชเนี่ยเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อัลลอฮ์สั่งให้มัลลิกัสเนี่ยเตรียมที่ทางให้เราแล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์มากเลยนะคือบวชเพื่ออัลลอฮ์แต่บวชเพื่ออัลลอฮ์การา แต่ว่าถ <sm art> ้าสมมุติว่านึกว่าชั้นบวชนี่เพื่อต้องการให้เพื่อเพื่อต้องการชั้นต้องการจะไปอยู่ในห้องเนี้ยังได้อยู่ก็วัติทราบหวังนั่นจะรอดจะได้กนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียในเรื่องของการเมียไม่ได้เสียไม่ได้เสียครับถูกต้องครับต่อมาครับการสร้างข้อรอดสุตลานะครับแล้วก็สร้างท้องฟ้านะครับที่เราเห็นว่าเบียร์กับอามดินอามดินนะครับโดยที่ไม่มีอะไรครไม่มีไม่มีเสา S <S นะครับสร้างชั้นฟ้าโดยไม่มีเสานะครับรองทรงสร้างสรรพสิพ่งพืชพันธุ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็กุุดาบบะสัตว์ทุกชนิดนะครับที่เราสร้างมามเป็นเจชิงแครีบนะครับเป็นคู่เนื้อกว่าวิศวกรเนื้อกว่าสถาปนิกครับผมอันนี้เราไม่สามารถเปรียนเท็จได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการสร้างของเรานั้นคือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับเราก็เป็นเพียแค่เราเป็นคนถูกสร้างคิดดูแล้วกันเราเป็นคนที่ถูกสร้างความสามารถก็ก็ก็ ต่อมาฮะการสร้างเนี่ยนะครับการที่เราบอกว่าเราสร้างอะไรแต่แต่ละอย่างมาเนี่ยมาเป็นคู่คูเนี่ยก็ก็เป็นมีความหมายชัดเจนว่านะครับการการอยู่หยุดเดี่ยวนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกวืนธรรมชาติของรัศมีพันธุ์วัตถุลาเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราสร้างทุกอย่างมาเป็นคู่คู่จะเป็นคนจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชเป็นพันธุ์ทั้งหลายเราสร้างอาดัมมาแล้วก็สร้างคาวามาอีกนั่นเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับต่อมานะครับ ที่กลับมาเรื่องของการสร้างของลสุบาฮาตาลาเนี่ยเพื่อเห็นพลดลตุลล์เพื่อเห็นความสามารถของลสุบาฮานาหัวตาลานะครับแล้วก็ไม่มีใครนะครับทําได้เหมือนพระองค์และไม่มีใครกล้าบอกด้วยว่าฉันทําได้เหมือนพระองค์อคือผู้คนที่แอบอ้างเป็นพระเจ้าเนี่ยมันมีเยอะนะฮะแต่ไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าฉันนี่แหละเป็นพระเจ้าที่สร้างชั้นฟ้าแต่ดีไม่มีใครกล้าเลยไม่มีสักคนไม่มีเคยออกมา ยืนยันตัวตนว่าเขาเป็นผู้สร้างไม่มีเลยนอกจากอัลลอฮสุบะาฺตาลาพรรคการเมืองไหนก็ไม่แยบพูดในยุบายนี้นะไม่นะครับเกข้นะครับต่อมานะครับที่พูดถึงเรื่องการสร้างของอัลลอสุบตาลาในเพื่ออะไรรู้ไมเพื่อให้เรานั้ชโกดขอบคุณต่ออัลลอสุบฮนวตาลาไม่ได้เพร่ออื่นใดเลยนะเพื่อให้รู้เรื่องนี้ให้เราขอบคุณมากๆนะให้เราชูกรดต่ออัลลอฮสุบฮานหัวตาลานะครับนั่นคือจากที่แปดถึงสิบเอ เอายะมาไทเติต้ลเป็นมุกลที่มาว่าชื่อซูลอเนี่ยซูลุกมานตอนนี้เรากําลังเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่านลุกมาแล้วนะครับบังต้นลุกมาเนี่ยครับก็เป็นอับดุลซอลิฮันเป็นบ่าวของเราที่ดีคนหนึ่งที่เลาให้ความพิเศษพิเศษตรงไหนรู้ไหมไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะครับหน้าตาก็เหมือนบุคคลทั่วไปนะครับเป็นชาวฮาบบชีเป็นคนชแอฟริกาได้ซ้ําไปแต่นะครับสิ่งที่เราให้พิเศษคืออัลฮิกมะ เฮกม้านี่แหละนะครับสิ่งที่เอาเราให้แล้วมีความพิเศษนะครับนักวิชาการอธิบายว่าเฮกม้าเนี่ยคือความรู้ที่ที่บุคคลทั่วไปไม่มีนะฮะความรู้ที่บุคคลทั่วไปไม่มีนะครับก็คือความถูกต้องในการพูดแกพูดอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นความถูกต้องที่สอดสอดรับกับสัิธรรมหมดเลยนะครับพูดด้วยความเฉลียวฉลาดนะครับพูดมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีแง่คิดมันมีคําสอนอยู่นะครับ และก็ฉลาดในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งพูดแต่ละครั้งจะสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอ์แล้วสอดคล้องกับความเป็นจริงรของการใช้ชีวิตด้วยนี่คือบุคคลที่อัลลอ์ให้พิเศษนะครับอัลลอ์ก็เลยหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมาอยู่ในอังกวาราโซลนี้นะครับซึ่งอินชาอัลลอ์นะครับพรุ่งนี้นะครับรายละเอียดนะฮะว่าความเฉลียวฉลาดที่อัลลอ์ให้กับท่านลุกมา น, นี่ฮะท่านได้สอนอะไรกับ อะไรกับบุคคลในยุคนั้นกับลูกหรือกับบุคคลในยุคนั้นบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามารายละเอียดครั บ, รบอิมนูร์กะซีให้ความหมายคำว่าฮิก ม, มาว่าอัลเลคู่ฟิลิสลามเข้าใจอิสลามอคืคนเราถ้าเข้าใจอิสลามนน้นเข้าใจทุกเรื่องและก็คุณสมบัติที่อาจารย์ฮารุนบอกเนี่ยเรื่องของคำพูดที่ดีความคิดที่แม่นยาเนี่ยคือคนที่เข้าใจอิสลามนะครับดังนั้นดังนั้นอัลลอ์ยกย่องนะ ยกย่องบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับอเล็กก็คืออเล็กเนี่ยประทานความเฉลียวฉลาดมาให้กับเราทุกคนนะครับประทานสติปัญญาให้กับเราทุกคนแล้วก็บางคนบอกว่าอิสลามนะครับไม่ต้องใช้สติปัญญานะความจริงแล้วอเล็กให้เราคิดและก็ใครครวญนะครับในสิ่งที่อเล็กประทานมาให้ทั้งหมดนะครับนี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่ได้นําเสนอมอบให้กับพี่น้องวันนี้ช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตนะครับที่พี่น้องฝากเรื่องมาเป็นอามานะแล้วกันนะครับผม แอดมินได้ปักหมุดไว้บนสุดแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้40กว่าท่านอันทำดุ ล, ลินละนะครับก็รับสลามทุกท่านนะครับว่อะไรคุณสลัมว่าตระ ก, กูล ก, ก็ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์หมดได้พี่น้องทั ก, กทายมากันเยอะ ม, มา ก, มากนะครับอันทำดูลินละนะครับจากทุกภาคของประเทศไทยนะครับต่างประเทศมาเลเซียเขามารัสเกะดะนะครับจากอเมริกานะฮะจากภาคเหนือละมากันจากหลายๆจังหวัดเลยทำดูลินละนะครับขอรับส่งกับแทนความงดงามแล้วก็ขอรับส่งประทานความเข้าใจในอังกอราน ประธานความเข้าใจอิสลามให้กับเราทุกคนด้วยนะครับในชาร์ลส์นะครับเมกี้บบออามัดนูรบินอับดุลอับดุลรักนะครับทักมาให้ให้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็ด้วยกับโรงเรียนอันอามัดเดียนะครับสนัสนะครับได้มีแคมเปญให้พี่น้องร่วมกันสมทบทุนซื้อที่ดินวากาฟนะครับให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนอันอามัดเดียนะครับซึ่งอยู่ซอย รัศดรพัฒนา4แยก 1-4 สนะครับสบพัน์สูงกรุงเทพมหานครนะครับเนื้อที่นะครับ ง, งาน1 ง, งานนี่เท่าไหนบ้วะ่วนหึงส่วน4ของไร 1> ่1ส่วน4ของไรก่ก็ที่กรุงเทพก็ถือว่าเยอะนะ <Yeah. S 1> นะครับราคาอยู่ที่ <c oughs> 2ล้านห้าแนบาทนะครับสองล้านห้าแนบาททวนถ้า1ไร่ก็คูณ4ี่า<ไ>่าล้านค่าไร่หนึ่งก็8ล้าน25่ห0ยล้านเออล้านวะ คือถ้าอ๋อหงานง2 ง, น ง, งานนะ 2, ่ะ 2, อสองล้านห้าสองล้าก็ซ0ล้านก็ล้านไร่10ล้านก็เป็นราคาของพรุงเทพนะครับ<ช>ถ้าพักได้ก็ถ้าภักได้ก็ซื้อได้กี่ไร่ครับว่าพักได้ก็ซืออซ้อได้อย่างน้อย50บไร่ห้าสิบไร่หรือที่ถ้าที่แบบที่บ้านๆหน่อยก็อาจจะแตะร้อยไร่นะครับอันทำดินแล้ว น, นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็วากอฟชาริยานะครับการการที่บริจาคซื้อที่ดินให้กับมัสยิดเนี่ยเป็นการวากฟชาริยะ วกกอฟเจริญมาถึงว่าวกกอฟที่ได้รับผลบุญมากแล้วก็ผลบุญจะเหลยดินถึงเราด้วยนะครับวันนี้เราบรจากสร้างมัสยิดนะครับเรามีชีวิตอยู่เนี่ยทุกครั้งเวลาคนมาเยียบย่ําพื้นที่ที่เราช่วยกันวกกอฟรตรงเนี้ยผลบุญจะถึงเราทั้งหมดทุกครั้งเวลามีคนมาละหมาด ผลบุญการมะตาทนั้นถึงเราทั้งหมดและมีแต่ซ้ำวันที่เราไม่อยู่ในดุนยาไปนี้แล้วแต่มีคนมาใช้บริการมัสยิดนี้อีกนะครัผลบุญนั้นจะไหล่รินถึงเราเราสามารถวากัฟให้กับตัวเราเองได้และก็วากัฟให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วพ่อเราแม่เราก็สามารถวากัฟได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพี่น้องสามารถสมทบได้ที่นะครับชื่อบัญชีนะครับนายอ Ahmad Matt Latte นะครับและนายสนั่น Arunpoon Sap นะครับเลขบัญชี918 7หนึ่งแนะครับธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุ ข, ขั้พิบาล3นะครับขอรัสมุราชทรงตอบแท<า> น, ท<า>นอีกตัวเลขทวนอีกทีนะครับอเออแต่ลนะขอรัสมุทราชทรงตอบแทนความดีงามนะครับประธานต่อฟิกและสับสมิในการให้เราได้ได้ใฝ่หาสิ่งที่ดีคุณงามความดีครับช้อนเล็กบัญชีนะครั บ, ร บ, นะรบก็ขึ้นอยู่ในหน้าเพจไว้แล้วนะครับปักหมุดไว้แล้วพี่น้องก็สามารถเข้าไปดึงเลขบัญชีมาเลยนะครับพี่น้องที่อยู่ตอนนี้นะครับสามสกว่าท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่ดูยอนหลักนะครับอินชอลร้อนนะครับท่านก็สามารถ ท่านก็สามารถเข้าไปนะครับแล้วก็ไปร่วมบริจาคนะครับึงแม้ว่า100่บาท200บาท300บาทนะครับกี่บาททั้งหมดนะครับพัน0 0งพันหมืนหหรือพี่น้องต้องการปิด2 5ล้านเลยก็อันทรรมดีแล้ากมากนะครับทั้งหมดนั้นจะไม่เสียเปล่านะครับและก็การบริจาค การวากรในรอมฎอนนะครับผลบุญก็มากมายกว่าเดือนอื่นอยู่แล้วนะครับอินชอลอนะครับก็ขอให้ท่านนะครับโรงเรียนอัลอาหมาดีย์นะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยนะครับอินชอลออามินยารบบนอาลมีนะครับพี่น้องทักทายเข้ามาอีกหลายหลายท่านนะครับรับชมจากละนองนะครับแล้วก็พี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับอย่าสอดุมลเยนะครับหวังว่าพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันในเวลาประมาณหมงตรงหลังซุบหฮีนะครับละหมาดเสร็จแล้วเปิดอันกุรอานนะครับ สุรรลุกบานตั้งไว้เลยพรุ่งนี้ขึ้นอายุที่13มนะครับแล้วก็พี่น้องที่ได้รับอัญการแปลภาษาไทยไว้แล้วนะครับสามารถเปิดอัญกานภาษาไทยนะครับควบคู่กับการอธิบายจากเราได้เลยนะครับเพื่อได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นและก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับช่วงท้ายนะครับฝากบอได้นะเสฮัทนะครับช่วงโคงสุดท้ายของรอมฎอนเชิญครับครับุานินเนะวะลาฮวะลาตีลบิ้วครับในช่วงสุดท้ายสั้นๆตรงนี้อยากจะฝาก พี่น้องพุทธาต่อรสุภาโนตาลาชารามอดอนว่าในช่วงนี้สิ่งที่น บ, บีสั่งให้เรากระทาหรือว่าเราอ่านมากที่สุดก็คือดูอาดูอาที่น บ, บีลาอัลลอฮอะลัสัลลัมได้สอนพระยาวท่านเองคือท่านหญิงไอชะแล้วก็คือดูอาที่ว่าอัลลอฮฺอินนักอาฟุนตุฮิบุลอาฟะฟ f ฟ a อันีอัลลอฮฺอินนักอาฟุน จะใหบูรพาฟ้าฟ้าฟ้านี้พี่น้องจะต้องพยายามอ่านให้เยอะอ่านให้มากเป็นดอาเฉพาะด ua อ, อื่นนั้นก็ดีอยู่แล้วถูกอยู่แล้วในเรืบรรดาด ua ต่างต่างแต่ด ua ที่เฉพาะก็คือก็คื อ, คอดอ า, านี้แหละ อ, อ, อยากจะฝากพ่อแม่พี่นอ้องได้ถือว่าเป็นการย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องคงจะรู้แล้วุกคนจะเข้าใจแล้วแต่ตรงนี้ย้ำเรื่องสําคัญเดีบางทีเราอาจจะมองข้ามไปเป็นดอาสั้นๆเล็กๆ แกดูอดอาที่พิเศษดอาพิเศษที่น บ, บีสั่งครับฉะนั้นมันมีความหมายนะอฟนะัฟเนาว่าอฟัฟเนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกวัลอัฟูเคิรเรื่องของการให้อภยัยเป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นพี่ น, อน้องจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักในวิถีชีวิตตววใจของผู้ศรัทธาครับก็คงจะอวยเพียงแค่นี้ขอรับชาวนี้อัลาฟิกลฮิดายาัสสลามุอะลัยุมระห์มัุลลอฮิวบะระกต เริ่มหมดมาทดลองตัวครับอ <ing> <especie> ันทำดีแล้วนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่ปีที่แล้วนะครับเราได้ร่วมรนรุกนะครับพี่น้องร่วมกันสร้างศูนย์นุอิสลามสตูนะครับอันทำดลนะครับเราใช้เวลาตั้งแต่ระมัดรอนที่แล้วนะครับประมาณ7ถึง8เดือนนะครับเราก็สามารถสร้างเสร็จแลวก็เปิดและก็จัดงานเปิดอดแล้วอันทมดีลนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราได้นะครับจ่ายนะครับค่าอาคารก่อสร้างที่ไปแล้วนะครับประมาณสี่าเปอร์นะครับยังเหลืออีกประมาณห้าสิบห้าเอร์ 1.500 งล้านบาทนะครับพี่น้องท่านใดนะครับต้องการ work off นะครับเพื่อปิดหนี้ตรงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับสมร่วมสมทบกับเราเพื่อให้เรานะครับได้พ้นจากหนี้สินตรงนี้นะครับและก็ได้มีสมาธินะครับในการทำงานศาสนาต่อไปนะครับวันนี้เหมือนพี่น้องทราบนะครับ ส่วนในรูอิสลามศูนของเรานะครับมูลนิธิศานบินก็ได้ทำกิจกรรมศาสนาอย่างมากมายถึงแม้ว่าเราเพิ่งเปิดมุลนิธิและก็อาคารเพิ่งเสร็จไปประมาณ3ามเดือนนะครับแต่ทำในละกิจกรรมตั้งแต่วันแรกที่เปิดอาคารถึงวันนี้นะครับก็ยังมีคงยังคงมีต่อเนื่องทุกๆวันนะครับได้รับประโยชน์ทั้งพี่น้องมุสิมเดิมพี่น้องมุสิมใหม่พี่น้องมุสิมพี่น้องมุสิมน ม, มนักเรียนตาฟิสนะครับและก็พี่น้องต่างๆที่มาใช้บริการที่นี่ถือว่า ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับผลบุญทั้งหมดก็จะย้อนกลับไปหาพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันวกักฟัซชริยะมาในปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับขอความมือพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในกนารวักฟัตรวนี้ร่วมกันนะครับยสตว์มลุลัยร้อนนะครับกำลัพุ่งนี้นะครับเวลาหนาฬกาตรงหรือประมาณวันนี้จากเราทุกท่านเี น, นียาสัตว์มลุลัยร้อนซัลามวะลัยคุมวะมวรมตุลลอฮ์วะบรกต์ัลม